ข้อความในพระสุตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมูลปานาตมาขึ้นจุระธรรมมสมาทานสูตรจูระนี่แปลว่าสูตรเล็กกัะนะเพราะข้างหน้าจะมีสูตรใหญ่ธรรมมสมาทานเนี่ยแปลว่าการถือเอาทำธรรมะในที่นี้ไม่ได้แปลว่ากุศลเนี่ยนะแปลว่าสภาวธรรมการถือเอาสภาวธรรมทั้งหลาย ข้อห1 4เป็นต้นหน้าส5 6ข้าพระข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกาเศรษฐีใกล้กรุงสาวถีครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็รับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดคำนี้ว่าภิกษุทั้งหลายธรรมะสมาทานธรรมะสมาทานนี่แปลว่าการถือเอาธรรมะแล้วประพฤติหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติตัวมีอยู่สี่ประการการปฏิบัติตัวสประการนะเถิสอย่างมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งภิกษุทั้งหลายธรรมะสมาทาน การถือเอาธรรมที่เป็นทุกข์ในปัจจุบันแต่ให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปปัจจุบันนี้สบายมีความสุขเยี่ยมเลยนะแต่ต่อไปเดือดร้อนภิกษุทั้งหลายธรรมะสมาทานที่ปัจจุบันเป็นทุกข์ต่อไปก็ยังให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปอีกด้วยปัจจุบันนี้ก็เดือดร้อนนะผลที่มีต่อไปก็เดือดร้อน อย่างที่3พิษูุทั้งหลายธรรมะสมาทานที่ปัจจุบันเป็นทุกข์แต่ต่อไปให้ผลเป็นความสุขนะปัจจุบันนี้เดือดร้อนมากแต่ต่อไปสบายอย่างที่ 4. พิษูทั้งหลายธรรมะสมาทานที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นสุขและต่อไปก็ให้ผลเป็นสุขนะอธิบายตามลำดับว่าพิกษุทั้งหลายธรรมะสมาทานที่เป็นสุขในปัจจุบัน แต่ต่อไปให้ผลเป็นทุกข์เนี่ยเป็นไนะปัจจุบันนี้สบายชอบใจมีความสุขมากแต่ต่อไปเดือดร้อนยกตัวอย่างภิกษุทั้งหลายมีส ม, มณะพราหม์พวกหนึ่งเขามีคำว่าส ม, มณะพราหม์เนี่ยเาเรียกว่าพวกลทัทธิอยู่กลุ่มหนึ่งมีวาวัธนี่แปลว่าทิฐินะมีวาทมีลทัทธิมีทิฐิอย่างนี้ว่า โทษในกามทั้งหลายหามีอยู่ไม่ก็แปลภาษาไทยว่าโทษของวัตถุ ก, กามและกิเลสกามไม่มีใครจะหมกมุ่นอยู่ด้วยกิเลสกามบริโภควัตถุกามเท่าใดเนี่ยนะไม่มีโทษนอกจากเสียเวลาบอกว่านั้นหรือคือบอกไม่มีโทษละดีอย่างเดียวอ่าเพราะอะไรเพราะตัวเองเนี่ยได้สิ่งแต่สิ่งที่น่าปรารถนาใชไ่ได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้โภตาภาล้วนแต่น่าปรารถนา ลอยวันคืนล่วงไปให้มีความสุขสมณัสอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโภทภะที่น่าปรารถนาเนี่ยไม่มีโทษไม่เป็นไรสบายอย่างเดียวดีอย่างเดียวไม่เป็นไร น, นะไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยนะเพราะเขาคิดว่าไม่ได้มีโทษอะไรทั้งในปัจจุบันและต่อไปพวกเขาจึงพาการถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายพวกเขาแลย่อมใช้พวกปริภาชิกา ที่ขมวดมวยผมบำรุงบำเรอตนอยู่คือเนื่องจากพวกนี้เนี่ยนะถือว่าวัตถุกรรมไม่มีโทษพวกนี้ก็แปลว่ามีเมียหลายคนเหมงนกันเถอะก็ใช้ให้พวกนี่แหละสมยัมยใหม่ก็คือเข้าอ่างนั่นแนะอาบน้ำในอ่างมีคนนวดให้สบายเหมือนกันจริงหรือเปล่าไม่ทราบมันนะพวกเขาก็กล่าวกันอย่างนี้ว่าอะไรกันเนี่ยนะ พวกที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญมองเห็นภายในอนาคตในกามทั้งหลายอยู่พากันมากล่าวการละกามกล่าวกาันกําหนดรอบรู้เพื่อให้พ้นจากวัตถุ ก, กามคือเขาบอกว่าเขาออกมาแบบแปล ว, ว่ามาด่าด่าพวกคิดที่ยวกามมีโทษเฮ้ยพูดอะไรกันนี่ว่างนันมาพูดอะไรกันบอกว่ามีภายในอนาคตไม่เห็นมีภัยอะไรเลยก็สัมผัสแขนที่มีขนอ่อนนุ่ม ของปริภาชิการุ่นรุ่นเนี่ยช่างเป็นสุขเสียนนี่ไกลนะเขบอกว่าการที่มีคนมาคอยบีบคอยนวดคอยปรนิบัติรับใช้เนี่ยมันเป็นความสุขแล้วว่างั้นเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้เขาก็เลยถึงความดื่มด่ำแล้วก็หมกมุ่นในวัตถุกรรม เมื่อไม่คิดว่าการ ม, มีโทษก็บำรุงบำเรอปรนเปร์กันอย่างเต็มที่เนี่ยนะบริโภคการเรียกว่าแทบจะสุดๆเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นนิคมเป็นสมาคมเป็นเป็นชมรมเป็นชุมชนที่มีความสุขบริโภคการแล้วก็หมกมุ่นในวัตถุ ก, การ์มด้วยอํานาจกิเลสการ์มถ้าไอ้ลัทธิอันนี้เนี่ยค่อนข้างระบาดทั่วโลกเนยนะค่อนข้างระบาดทั่วโลกสังคมกลุ่มบันเทิงทั้งหลายกลุ่มพวกนี้เกือบทั้งหมดเนียนะเีย ท, ที่ว่ากลุ่มบันเทิงทั้งหลายเนี่ยโดยมาก เพราะฉะนั้นพวกเขาก็เลยเดื่มดั่อยู่ในกามท้ายที่สุดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนารกเนี่ยน ะ, นะะถ้าเข้าถึงนรก่อ ย, ยังชั่วหน่อยนะยังพอระลึกถึงว่าไปทาผิดอะไรมาถ้าตกนรกโดยมากจะสำนึกได้ว่าเอไปทาผิดอะไรมาแต่ถ้าเป็นเดราชาหนะูก็หมดสภาพแล้ว ถ้าเป็นเดรัชาเนี่ยสมมติถ้าไปเป็นเป็นนอนเนี่ยนะทำอะไรได้เลยเป็นนอนอยู่ขี้หมูเป็นต้นเนี่ยจบเลยหรือว่าไปเป็นตัวมดตัวแมลงเป็นผีเสื้อเป็นตัวบุ้งเป็นตัวเป็นปลาเป็นตัวอะไรนะตัวที่เอามาทํากระเปียดพวกเคยพวกอะไรเนี่ยนะไปเป็นหอยเป็นปูเป็นอะไรก็หมดสภาพแล้วหวังีงยากแต่ว่าถ้าพวกที่ไปตกนรกล่ะเขาก็เสวยเวทนาที่เป็นทุกข์แข็งกล้าเผ็ดร้อนในที่นั้น เขาบอกเอ๊ะบริโภควัตถุกามด้วยกิเลสกาม ม, มันมันมีท่อจริงหรือไรปะโยมเห็นไหมว่าตรงไหนที่มันไม่เปื้อนปานาธิบาตบ้างใช่ไหมไอการที่บริโภคหมกมุ่นวัตถุกามด้วยกิเลสกามโดยมากเปื้อนปานาธิบาตจนได้ไม่เปื้อนปานาธิบาตก็เปื้อนอะทินนาทานไม่เปื้อนอะทินนาทานก็เปื้อนกาเมสุมิฉาจารทีนี้บริโภควัตถุกามด้วยกิเลสกามเนี่ยโดยมากก็ทําด้วยมุสาวา บางทีก็แย่งกันไปแย่งกันมาก็อะไรส่อเสียดปิสุนาวาจาได้สมความปราถนามั่งไม่สมบ้างก็พลัสวาจาสัมผัสปลาปะทั้งวันเนี่ยนะสัมผัสปลาปะทั้งวันอภิชาก็รุนแรงพยาบาทก็รุนแรงมิชาทิฐิทั้งหลายเป็นต้นก็จะไปไน้าใช่ไหมก็ไปสู่อาบายนี้ไปสู่อาบายเขาก็พอไปถึงอาบายแล้วก็บอกว่า นี่แหละมั้งที่พวกสมณะพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นมองเห็นภายในอนาคตของวัตถุกรามด้วยกิเลสกรรมทั้งหลายเนี่ยก็เลยพากันกล่าวถึงการละกรมละกรมในที่นี้หมายถึงการเจริญกุศล น, น่นะการเจริญกุศลธรรมเพื่อละกรมแล้วก็บัญญัติการกำหนดรอบรู้กรมทั้งหลายกำหนดรอบรู้ในที่นี้หมายคำว่าไงกาหนดรอบรู้เนี่ยไม่ใช่เออแตะแตะเนี่ยนะไม่ใช่ หมายคําว่าก้าล่วงเนี่ยนะก้าล่วงพ้นจากวัตถุกรรมด้วยกิเลสกรรมด้วยอะไรก้าล่วงด้วยศีลเนี่ยนะก้าวล่วงกรรมเนี่ยด้วยศีลด้วยสมถะทั้งหลายด้วยการพิจารณาภัยของกามทั้งหลายเขาก็เลยกล่าวถึงการละกามด้วยอํานาจสมถะและวิปัสนาโดยเฉพาะการเจริญฌานทั้งหลายเพื่อให้พ้นจากกามมาพบเนี่ยนะผมก็เลยนึกออกเลยนะอ๋อไม่น้าหระกเขาจึงละกันเนี่ยนะ แม้ถ้าไม่งั้นเขาไม่คงไม่ละกันละมั้งเหมือนกันพวกเรานี่เนอย่อมสเสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งเผ็ดร้อนก็เพราะกามทั้งหลายก็เพราะกามเป็นข้อมูลจริงเหรอนะตอนบริโภคก็ช่างมีความสุขแพ้ใช่ไหมแต่ก็ว่าตอนที่มีบุญตอนที่บุญยังอยู่ตอนที่บริโภคผลบุญอย่างเต็มที่เนี่ยนะก็ว่าบริโภคจนลืมตายเนี่ยนะมาชอบผู้ะพุทธพจน์ ท, ที่พระองค์ตรัสกล่าวถึงพระพุทธ เ, เจ้าเนี่ยนะ ปลามีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ปลารบถึงพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลบอกว่าพระราชาพระองค์นี้จะไม่สิ้นพระชนหรืออย่างไรก็แปลภาษาไทยอีกรอบว่าพระราชาพระองค์นี้ตายไม่เป็นหรือเนี่ยนะคือคือทำอะไรทําอะไรอยู่นี่รู้ตัวหรือเปล่าไม่คิดว่าตัวเองจะต้องตายเลยหรืออย่างเงี้ยนะแล้วถ้าตายแล้วทานี้ต่อไปนั่นคืออะไรนยแต่ว่าพอดีพระเจ้าประสิทธิ์โกศลก็ได้บัณฑิตคือพระพุทธเจ้าคอยโอว่าตักเตือนตอนหลังก็เลยไม่ประมาทแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ อันตรายมากเนยนะไปยังไงเน้พบต่อไปคือคือจะไปคิดว่าไออย่างมนุษย์สมบัติเป็นต้นจะไปคิดว่ามันยั่งยืนอะไรกันในชะอย่างยุคนี้มันเก่งเต็มที่ก็ร้อยปีแล้วแต่มันหมดสภาพตั้งแต่แปดสิบแล้วเนี่ยนะปดสิบเนี่ยอย่างที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยน้ำก็ยังแท้ต้องตำกินแล้วเ่วาบองั้นนะ่ะนะจริง เป็นนายพลด้วยเป็นรองนายกเขาบอกว่าโอ้ยน้ําก็ยังต้องตํากินแล้วตอนเนี้นะจะไปดืม่มเอือกเอือกเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้แล้วต้องค่อยๆจิบค่อยๆดูดค่อยๆซึมขึ้นมาเลยนะะมันก็คือคื อ, คอแมชารามันก็เข้ามาเยือนเนี่ยนะคือมันก็เป็นอย่างนี้นะแหละแล้วมันอายุไขของมนุษย์โลกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าถึงร้อยปีนี่ก็นับว่าวิเศษแล้วใช่ไหมแต่ถ้าสภาพของคนอายุร้อยปีนจะเป็นานายยกถ้าร้อยห้าสิบแล้วมีบุญนะนะอยู่ขนาดนั้น แคว่าอาจจะนอนที่เฝ้าเตียงเงินตั้งหกเก้แล้วก็ได้เนี่ยนะใครจะไปรู้ว่าจะมีบุญอะไรได้ยืดยาวขนาดนั้นเพราะนนั้เมื่อโลกเนี่ยนะอัญชารานําไปไม่ยั่งยืนโลกจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งพวงไปชารานี่ก็พาเราไปสู่มรณะเนี่ยนะแล้วก็มรณะก็จําต้องละทิ้งไปทิ้งยศทิ้งอํานาจทิ้งสิ่งที่เคยมีแล้วจิตทีนี้ถ้าดับความคิดไม่ได้ก็บอกว่าเออตายไปแล้วเมื่อรูปหมด ใจก็ดับสลายปฏิสนธิต่อไปไม่มีตรงกันข้ามจุติแล้วก็ปฏิสนธิจิตดวงสุดท้ายเกาะเกี่ยวอะไรไว้เอ้ามันก่อนก็ถามว่าเอาเนี่ยในโลกเนี่ยคาที่เราควรจะพูดถึงก่อนตายเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรมากที่สุดพูดถึงเพื่อนพูดถึงญาติหรือพูดถึงพระพุทธเจ้านะหลายคนก็บอกพูดถึงพระพุทธเจ้าวันหนึ่งพูดคําว่าพระพุทธเจ้าอยู่กี่ครั้งทั้งวันเลยนะเอ้า ทั้งวันเลยนะพูดคําว่าพระพุทธเจ้าก็พูดคําว่าคนอื่นเนี่ยเอานี่แหละในโลกนี้เราเอ่ยชื่อใครมากที่สุดแต่เขามาเนี่ยกล้าพูดเลยว่าเขามาเอ่ยชื่อพระพุทธเจ้ามากที่สุดนะนะกล้าพูดอย่างนี้เลยแต่ว่าหลายคนไม่รู้นะเนกันนบางคนอาจจะแบบแม่อะไรแก้วตาดวงใจก็คือลูกก็มีอย่างเงี้ยนะบางคนก็มีลูกบ้างบางคนก็มีเพื่อนบ้างบางคนก็มีคู่ครองบ้างบางคนก็มีแล้วแต่ว่าแล้วก็ดูว่าเอ่ยชื่อใครเอ่ยก่อนตายเนี่ยนะบางคนก็บอกเอ่ยชื่อคําว่าแม่ แม่ก็บอกว่าเออถ้ามีพ่อมีแม่เป็นอารมณ์เน่ยก็ต้องดูว่าเจริญกุศลหรืออกุศลไว้กับพ่อแม่เนี่ยนะเป็นลูกที่เรียกว่าเป็นลูกมาพลานพ่ อ, พ, อพลานแม่หรือว่าลูกมาเกื้อคูณมาบำรุงบิดามารดาก็ต้องดูด้วยว่าว่าเรากลุ่มไหนแล้วเราจะเอ่ยชื่อใครก่อนตายเนี่ยนะนี่จะไปไหนอะ่ะถ้าใจหมกมุ่นกับสิ่งใดเนี่ยเชื่อเถอดโดยมากคิดถึงสิ่งนั้น ถ้าไม่เจริญพระพุทธเจ้าพุทธคุณไว้อย่างดีเลยเนี่ยนะวันก่อนเขามาไปถามโยมคนหนึ่งอายุก็ไม่ไม่ถึงแปดสิบปีมาถามบอกว่าบวชมาตั้งหลายปีนะโยมบวชเกือบสิบปีอะ่ะอิติปิโสจําไม่ได้อะมันก็แหมมันเกินไปนะเราก็นึกในใจโอ้ยไม่ขนาดนี้นะอิติปิโสจําไม่ได้แต่เรื่องอื่นก็นเล่าได้ทุกเรื่อง<ม>นะะเว้นแต่อิติปิโสเว้นแต่อะไรเนี่ยเจ็ดตำนานสิบสองตำนานลืมหมดเลย ออกมาก็นึกในใจเลยโอ้โหแล้วมันอันตรายขนาดไหนถ้าความคิดแบบนี้เนี่ยนะคือคือแล้วก็ท่านก็ไม่รู้ตัวนะท่านก็ไม่รู้ตัวอะไรหรอกเพราะท่านก็คิดไปเออโนี่มันก็ทรมาน ก, ก็คุยแต่เรื่องสุขภาพคุยเรื่องญาติเรื่องเพื่อนบ้านเก่าเมืองเดิมอยู่ไหนเนี่ยนะรู้จักใครที่ไหนอย่างไรทําอะไรที่ไหนจําได้หมดเลยเห้แนแต่พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยนะเพราะจาไม่ได้นี่ก็ถือว่าอันตรายมากไอ้ความคิดเนี่ยมันอันตรายที่สุดปัญหาว่าเราเราดูแลความคิดเราเองไม่ได้ พบใหม่ควรจะไปไหนและวองคมมาดูจากคนที่ดูแลความคิดตัวเองไม่ได้ไม่ใช่น้อยเลยเนี่ยนะอย่างว่าวันวันหนึ่งพูดถึงคําว่าพระรัตนตรัยเนี่ยน้อยมากที่เหลือพูดถึงอย่างอื่นหมดเลยแล้วเขาบอกเขาจะไปสวรรค์อย่างเดียวเนี่ยนะก็อยากจะเชื่อโวยพรให้ของให้คุณได้ไปสวรรค์อย่างที่คุณปรารถนาเถอดแต่พฤติกรรมมันบอกว่าไม่ใช่เนี่ยนะก็มีโยม อ, อยู่คนหนึ่งคือคือเล่าว่าพฤติกรรมมันไม่ใช่อะ่ะแต่ว่าความปรารถนาอาจจะใช่ก็ได้ ยังไปวัดวัดหนึ่งที่จังหวัดน่านไปไหว้พระพอไหว้พระเสร็จแล้วก็ลงมานั่งรอถามอุ้ยคนหนึ่งอุ้ยไปไหนบอกจะไปเชียงใหม่เจ้าบอกไปทําไมไปเป็นนางพยาบาลอยงเ้นอ่ะอายุแปดสิบแล้วเขาบอกว่าเนี่ยจะไปไปไปไหนบอกก็จะไปเชียงใหม่ว่าไปทําอะไรไปเรียนพยาบาลไปเป็นนางพยาบาลว่าอยากเป็นนางพยาบาลมากจะไปเชียงใหม่อย่างเ้ยก็นั่งอยู่ก็อายุมากแล้วนะก็คือคงคงคนไม่เต็มอ่ะนะ คงคงมีปัญหาด้านสุขภาพจิตเยอะละว่างั้นแต่ว่าอยากไปเชียงใหม่มากจะไปไหนบอกไปทําไมจะไปเป็นนางพยาบาลเนี่ยนะก็เขาเขพูดบอกพูดเรื่องนี้นะเขาพูดเป็นแบบแหมพูดแบบจริงจังมากเลยนะจริงจังมากห้ามขวางเด็ดขาดเลยเรื่องประเด็นนี่ของเขาอะ่ะ น, นะเขาเขาจริงจังมากนะเป็นเป็นผู้หญิงแก่แล้วคือเขาบอกว่าจริงจริงแล้วได้เป็นหรือเปล่าอัพยาบาลเอาแปิไปแล้วอย่างเงี้ยนะเขาจะให้เป็นไหมนางพยาบาลอย่างเงี้ยนะ เอาไปให้พยาบาลดูแลก็จะดูแลหรือเปล่าเนก็เอาไปให้พยาบาลดูแลเนี่ยใช่ละเชื่อละ